มีหลวงพ่อองหนึ่งนะที่จังหวัดอุดรใครๆเรียก หลวงพ่อนี้ว่าหลวงพ่อดีเนาะเคยได้ยินบอหลวงพ่อดีเนาะพวกที่อยู่สุโขทอดเคยได้ฟังไปแล้วนะส่วนที่มาใหม่คงไม่เคยเพราะว่าท่านเจออะไรท่านก็มองว่าดีไปหมดนะเป็นพระที่ไม่มีความทุกข์นะอารมณ์ดี ฟ้าท่านมีคนนิมนต์ท่านไปฉันนะไปฉันในงานงานบุญแล้วก็จะมารับท่านก็กว่าท่านก็รอไม่มาลับสักทีท่านก็เลยบอกเออดีเนาะฉันที่วัดเรานี่แหละ พอท่านลงมือชันได้ไม่กี่คำรถก็มาคนขับบอกว่าขอโทษด้วยาครับพ่อรถมันเสียก็เลยทำให้ช้าท่านก็ว่าดีเนาะนะต่กินที่งานดีกว่าปรากว่าพอขึ้นรถไปรถก็เกิดเสียขึ้นมาคนขับก็ซ่อมรถซ่อมอยู่นาน เพื่อนก <c oughs> ็ไม่ติดสักทีนะก็เลยบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อช่วยกันเข็นรถหน่อยผลวงพ่อท่าแก่แล้วแต่ท่านก็ไม่บนนะท่านก็เออดีเนาะมันได้ออกกำลังการปรากฏว่ากว่ารถจะถึงวันถึงงานมันก็เลยเที่ยงแล้วเป็นนั้นว่าไม่ได้ฉัน แค่นั้นไม่พอนะมันได้เวลาแสดงธรรมพอดีก็เลยนิมนต์หลวงพ่อขึ้นแสดงขึ้นทำมาร์แสดงธรรมตั้งว่าดีเนาะมาถึงก็ได้ทำงานเลยนะฉันก็ไม่ให้ฉันฮนะแต่ว่าถ้าท่านก็แสดงธรรมแทนทันจบคนก็เจ้าข้าก็เอากาแฟมาถวายท่านแต่ว่า เกิดทีพพลาดหน่อยนะแทนที่ใส่น้ำตาลก็ใส่เกลือท่านฉันจังนก็ไม่ไห ว, วก็ยินนะลูกศิทนี่ไม่รู้นลูกศิษรอเห็นท่านฉันเหลือก็เลยฉันตามได้ขอขอฉันขอแฝ์ที่เหลือของหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นสิริมงคลฉันได้ไม่คันเกลือเลยนะก็ด้กินกึ๊ กินกาแฟาได้ไม่ทันถึงคำนะแค่อึดเดียวก็ข้นกาแฟามาบอกเข็มปีเลยหลวงพ่อฉันได้ยังไงหลวงพ่อบอกว่าเข็มๆนี่ก็ดีเนาะเพราะว่าฉันกะแฟห ว, ว, วานมามากแล้วฉันเค็มบ้างทนะ่านก็มองว่าทุกอย่างเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยดีหมดเลยนะมีคราวนึง โจรขึ้นมาพ้นกุฏิท่านนะคือหลวงพ่อถ้าเป็นชาวผู้ใหญ่ก็มีคนมาถวายของเยอะที่จริงหลวงพ่อเนี่ก็ไม่ได้เป็นคนหวงทรัพย์อะไรนะแต่ว่าคนมาถวายมากๆตัวมันมีแต่ระบายที่ไหนของมีข่าวายระโจนได้ช่องก็ถือโอกาสมาพ้นเอาปืนมาจี้ท่านบอกว่านี่คือการพ้นนะหลวงพ่ออย่าขัดขืนนะนั่นคยิ้มนะ แล้วเพราะว่ามาพ้นก็ดีเหมือนกันนะดียังไงท่านก็ตอบว่าข้าวของนี่มีเยอะนะไม่รู้จะระบายยังไงดีแล้วแกมาช่วยระบายไปก็ดีเหมือนกันโจนบอกว่าไม่ได้พ้นอย่างเดียวนะต้องฆ่าเจ้าซับด้วยหลวงพ่อว่าวว ก, ก็ดีเนาะฆ่าวว ก, ก็ดีเนาะดียังไงก็แกแล้วสังขารก็มากแล้ว นะอยู่ไปันก็มีแต่ปวดแต่ร้องแต่โอดแต่โอยตายก็ดีเหมือนกันไอโจมันก็ชักตรงแล้วจะเอาอยัางไงแนะ่ตอนหลังก็ใจอ่อนบอกว่าไม่ฆ่าแลนะไม่ฆ่าก็ดีนะดียังไงนะก็ถ้าเกิดแกฆ่าฉันนะั้นแกก็ นอกจากจะติดคุกแล้วนะก็ยังตกนรกด้วยเพราะฆาพานี่มันบาปเลอเกินดีแล้วลนะ่ะที่แกไม่ฆ่าพาหน้าโจนก็ได้สติขึ้นมานะ้วว่าโอ้ตัวนี้มาทำบาปกนะันไม่ว่าจะพ้นหรือ้ายีงก็บาปเนั้นก็เลยยอมยอมแพ้ตำรวจก็มารวบตัวไป แต่ว่าพอพ้นจากพุกแล้วก็ก็มาบวชนะ mm hmm. เพราะว่าศรัทธาหลวงพ่ออันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าแบบจินตนาการขึ้นมานะเพราะว่าท่านก็มีเป็นพระนะที่มีจริงนะไม่ใช่พระหลวงตาธรรมดาเป็นพระระดับเจ้าคุณด้วยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะในจังหวัดอุดรธา น, นีแล้วก็เป็นเกติอาจารย์สะดวยนะ mm hmm. แต่ว่าท่านก็อยู่แบบง่ายๆ มีอะไรท่านก็มองเห็นเป็นข้อดีไปนหมดตอนที่ท่านได้ตั้งรับสมณศักิ์นะท่านได้เป็นพระเทพเลยนะพระเทพวิสุทธิวิสุทธาจารย์สาธุธรรมสาธุอุทานธรรมวาทีสาธุอุทานธรมธธธนธรมวาทนะีแปลว่าพระผู้แสดงธรรมด้วยกาัา เปลี่ยนคำว่าดีเนาะนะอาการการมองแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนเรานะเจอแล้วก็ตามก็ไม่ทุกข์นะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องพระปุนนะอันนี้เราก็ได้ยินมาจากเป็นเรื่องราวใาไตรปิฎกเนะีะจังดูเหมือนก็ว่าไม่ใช่คนจริงๆ เรื่องราวในพระไปิฎกนี้บางทีเราก็ส ม, มันไกลพระคุณ น, น้านี่ท่านไม่ว่าท่านจะจะเจออะไรท่านก็คิดว่าดีไปหมดนะไม่ว่าคนขาจะดา่าท่านท่านก็ว่าดีดีกว่าเขามาทุบตีเขาทุบตีก็มองว่าดีนะดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาควา้าง ข้ก็เห็นมาคว้างก็ท่านก็ว่าดีนะดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดข้อไม้มาฟาดท่านก็ว่าดีนะดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงเอาของแหลมมาแทงท่านก็ว่าดีนะดีกว่าเขภท่ายตานะแต่ค่ายตาท่านก็ว่าดีนะดีตรงที่ไม่ต้องเหนือดไปเอามีดมาทำร้ายตัวเองหรือไปจ้างคนมานะท่านมองแบบนี้ ก็มองเหมือนกับหลวงพ่อดีนอนคืออะไรเกิดขึ้นก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นสมัยนี้เราอชอบมองกันในแง่ลบหรือมองเห็นข้อตำหนิเพราะว่าเรามีภาพว่าสิ่งที่มันควรถูกสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นอย่างไรแล้วก็ติดกับภาพนี้ติดกับมาตรฐาน คนเหลานี้ก็มีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นพอเจออะไรที่มันต่ำกว่ามาตรฐานนี่ก็ไม่พอใจแล้วก็จะเห็นข้อตำหนิเห็นข้อผิดพลาดเพราะมันมีมาตรฐานสูงๆอยู่ในอยู่ในหัวนะแต่ถ้าเราไม่มีมาตรฐานที่ว่านนูบ้างนะหรือว่าใช้มาตรฐานที่ต่ำก็ได้ใช้มาตรฐานที่ต่ำ ไม่ใช่มาตรฐานที่สูงอันนี้พออะไรเกิดขึ้นกับเรา <c oughs> ก็ดีไปหมดแต่เวลาเราล ง, ลงมือทํำนะเราลงมือทำํำเราก็ตั้งใจทําเต็มที่นะไม่ใช่ว่าทําแบบหยอ่อยๆใหญ่แยะทำแบบเกียดคล้านะพองานออกมาไม่ดีก็บอกว่าดีเน้อดีน้อยนีก็ไม่ใชนะ่ต้องใช้ให้เป็นนะคือใช้กับ ไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรารู้ใช้กับการอามองคนอื่นอย่างหลวง่อดีน้อย น, นี่ท่านก็มองว่าทุกคนก็มีข้อดีไปหมดนะไม่ค่อยว่าใครไม่ค่อยจับผิดใครเพราะว่าเห็นเขาก็มีข้อดีอันนี้ก็ทำให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะชนะใจคนได้เห็นใคร คนร้นี่ถ้าเราเห็นความดีของเขาแล้วเราก็ทําดีกับเขาแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่ไม่ดีไอความดีที่เราทํากับเขานี่มันก็สามารถเปลี่ยนใจใเขากลายเป็นคนดีขึ้นมาได้อย่างโจนที่มาพ้นกุฏิท่านท่านก็ไม่โกรธนะไม่ไม่ไม่มองเขาเป็นผู้ร้ายนะไม่มองเป็นศัตรูนะก็พูดนะ ด้วยความเมตตาพูดด้วยความ อ, อ่อนโยนใอ้โจงที่มันคิดจะฆ่าท่านก็เลยเปลี่ยนใจนะไม่ฆ่าสุดท้ายก็มาบวชกับท่านนะเวลาเรามองเห็นความดีของคนนะถ้าเรามองเห็นอยู่บ้างนะมันก็ช่วยทำให้เราเไม่ไม่ไปคิดร้ายหรือมุ่งร้ายกับเขานะเพียงแค่นั้นนี่มันก็ช่วยทำให้เกิด เมตตาจิตความปรารถนาดีขึ้นมาเราก็สามารถที่จะทำให้เขาจากร้ายกลายเป็นดีได้อันนี้หลาที่พระเจ้าบอกว่าฝึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะจะใช้ความดีขเขาได้ก็ต้องเห็นความดีขเขาก่อนถ้าเห็นความดีของเขาเราก็ทํำดีก็ได้ง่ายขึ้นอัล้วก็เกลียร์รับรอง